ันนี้จะพูดถึงเรื่องเรื่องกรรมฐานเป็นธรรมโอสถกรรมฐานเป็นธรรมโอสถรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ดีไหมในยามที่เราป่วยไขย้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือทุกขเวทนาที่ลุมแล้วทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ เป็นเรื่องธรรมดาทุกขเวทนาทางกายนี่ก็เรื่องความเจ็บปวดส่วนเรื่องทุกขเวทนาทางจิตก็คือระบบความคิดความมีตกกังวลความกลัวต่างๆอันนี้เป็นทุกขเวทนาทางจิตก็มี2 อ, อย่างทุกทางกายแล้วก็ทุกทางจิต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 วิธีการที่จะเอากรรมาฐานมาจัดการกับทุกทางกายเนี่ยก็คือเรื่องของสติเวลาเกิดความเจ็บปวดพละร่างกายเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทันเราก็รู้จักยอมรับนะเอาใจรู้จักยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นยินดีที่จะอยู่กับความเจ็บปวด แบบเต็มใจแบบไม่ต่อต้านเพียงแค่เราไม่ต่อต้านทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดท้งร่างกายเนี่ยระวังใจไว้ว่าหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรจึกยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะอยู่กับทุกทางกายมันมีส่วนช่วยทำให้จิตใจเนี่ยมันสงบ มันเป็นปกติมันไม่วิตกกังวลมันเกิดความกล้ า, าหาญช่วยจะให้สงบลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วความเจ็บปวดมันก็ทุเลาบาบางลงไปเองบางทีต้องมไม่ต้องอาศัยยารักษาก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นธรรมโอสถรักษาจิตใจ ไม่ให้เป็นทุกข์ได้